ชีวิตหลังจากตายเรียบเรียงจากเรื่อง The Life Beyond Death โดยโยคีรามาจักรซึ่งในที่นี้ท่านนับรวมไปอยู่ในหนังสือชุดโลกทิพนับเป็นโลกทิพภาคที่สี่คำชี้แจงของผู้จัดพิมพ์หนังสือเรื่องชีวิตหลังจากตายหรืออีกในยะหนึ่งคือโลกทิพภาคสี่นี้อาจารย์สิริพุทธสุขเป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้ ซึ่งมีความหนาขนาดเดียวกับหนังสือโลกทิพย์ภาคหนึ่งผู้ที่เขียนคือท่านโยคีรามาจักท่านเขียนเอาไว้นานแล้วตั้งแต่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์และบัด น, นี้ท่านก็ได้จากโลกมนุษย์มามีชีวิตอยู่ในโลกของโอปปปาติกะไม่น้อยกว่าหกปีและในขณะที่แปลหนังสือเล่มนี้มีข้อความอยู่หลายตอนซึ่งอาจารย์สิริแปลไม่ได้แต่แล้วก็ได้อาศัยคุณสีเพนจตุทัศสี ช่วยติดต่อถามท่านผู้เขียนให้ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงนับว่ามีลักษณะที่แปลกจากหนังสือโลกทิพย์ภาคหนึ่งคือ Life in the World unseen ซึ่งเขียนโดย Mr. Anthony b o โทนบเจตามคำบอกเล่าของท่านโ o เบ r ร H. ตฮิลเบนสผู้ซึ่งอยู่ในโลกทิพย์โดยวิธีติดต่อทางสมาธิหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งอย่างหนึ่งของสำนัก ค, ค้นคว้าทางวิญญาณเพราะเป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นการเขียนเหตุการณ์ข้างหน้าที่ตัวเองยังไม่ได้ประสบแต่ครั้นแล้วเมื่อท่านไปนมีประสบการณ์อยู่ในโลกทิพเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกปีท่านก็ยังได้มีโอกาสมาชี้แจงถึงผลงานของท่านจึงนับว่าเรามีข้อพิสูจน์ถึงหนังสือเล่มนี้ได้อย่างดีว่าไม่ใช่หนังสือนวนิยายหรือหนังสือที่เขียนขึ้นโดยอาศัยการคาดคะเนแต่ถ้าหากเรื่องที่ท่านเขียนเอาไว้ในสมัยที่ยังไม่มีประสบการณ์นั้น จะพึงมีอะไรผิดพลาดหรือมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมข้าพเจ้าก็จะขอความกรุณาจากท่านให้ช่วยชีย้แจงและจะเขียนลงในภาคผนวกในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้อีกลงชื่อพรรัตนสุวรรณเจ็ดมีนาคมพุทธศักราช2515าาคำนำเรื่องชีวิตหลังจาตาย หรือโลกทิพย์ภาคสี่นี้กลายจาต้นฉบับเรื่อง The Life Beyond Death ของท่านโยคีรามาจากักหนังสือเรื่องนี้ได้บรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพความเป็นไปในโลกทิพย์ไวอย่างน่าฟังและมีความสุขุมลุ่มลึกลงไปต่อจากโลกทิพย์ทั้งสามภาคที่สํานักค้นคว้าทางวิญญาณได้จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ไปแล้วนับว่าเป็นหนังสือที่สมควรอ่านต่อกันไปได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าจึงได้จัดเข้าชุดเดียวกันและตั้งชื่อให้ว่า ชีวิตหลังจากตายในวงเล็บโลกทิพย์ภาคสี่และคิดว่าท่านผู้อ่านที่เคยสนใจและชอบเรื่องโลกทิพย์ทั้งสามภาคที่แล้วมานั้นคงจะได้รับความรู้ที่น่าสนใจและประทับใจจากเรื่องนี้เช่นเดียวกันในหนังสือเล่มนี้มีข้อความที่สุคุมลุ่มลึกอยู่หลายตอนซึ่งเป็นข้อความที่ท่านผู้แต่งอ้างมาจากที่อื่นบ้างหรือเป็นหลักการที่ลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจได้สาหรับผู้แปล ในการนี้จึงจำต้องได้รับความช่วยเหลือจากคุณสีเพนจตุทศีผู้ดได้เข้าสมาธิไปถามท่านเจ้าของเรื่องซึ่งบัดนี้อยู่ในสภาวะที่เป็นโอปปปาติกะซึ่งท่านก็ได้กรุณาชี้แจงให้อธิบายเพิ่มเติมจนเป็นที่เข้าใจกระจ่างชัดขึ้นดังนั้นฉบับแปลนี้จึงมีข้อความที่มีเนื้อความพิสดารเกินกว่าต้นฉบับภาษาอังกฤษอยู่หลายตอนด้วยกันทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา นอกจากนั้นมีอยู่หลายตอนในหนังสือเล่มนี้ซึ่งกล่าวไว้อย่างสั้นๆและรวบรัดซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าอาจจะเป็นการยากสำหรับท่านผู้อ่านจะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งโดยเฉพาะท่านที่ไม่ได้เป็นอาชรยาบุคคลดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้พยายามอธิบายหรือเรียบเรียงเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นที่เข้าใจชัดขึ้นโดยไม่ทําให้เสียใจความหรือไม่ให้เป็นการบิดเบือนใจความเดิมข้าพเจ้าจะไม่ขออาภัยต่อผู้ใด ที่คิดว่าการกระทําเช่นนี้เป็นการดูถูกผู้อ่านเพราะสําหรับท่านผู้นั้นข้าพเจ้าขอใอ่านจากต้นฉบับเดิมเอาเองต้นฉบับภาษาอังกฤษของหนังสือเล่มนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อให้ยืมมาจากคุณอุทิศธินกร ณ, ณอยุธยาแห่งสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้แปลเรื่องลทัทธิวิญญาณศาสตร์ที่ได้แปลลงในหนังสือวิญญาณเป็นตอนๆมาจนจบแล้วคุณอุทิศยังมีหนังสือประเภทนี้อยู่อีกหลายเล่ม ซึ่งคุณอุทิศและข้าพเจ้าจะได้ช่วยกันแปลนำเสนอท่านผู้อ่านต่อไปตามลำดับเช่นเดียวกับโลกทิพย์ภาคหนึ่งสองและสข้าพเจ้าขอมอบลิขสิทธิ์ในการพิมพ์ภาคสีนี้ให้แก่สำนักค้นคว้าทางวิ ญ, ญญาณเป็นผู้จัดพิมพ์ได้แต่ผู้เดียวตลอดไปลงชื่อสิริพุทธสุข25มกราคมพุทธศักราช2515